ลำดับต่อไปเราก็จะนำพาทำวัดเช้าเปิดหนังสือไปภาคที่หนึ่งเราจะเริ่มจากคัมพูชาพระตนะตรยัยราหังสัมมาสั ม, มพุทโธปะกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระระหาหันดาเพิงกิเรเพิงทุกสิ้นเชิญ p r a s ร, รช o บได้โดยพระองค์เองพู้ทังบากาวันดังอภิวาเทมิข้ า, า, าพรเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสว่างคโตมบากาวตาธรมอม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามีกราพรเจ้านัมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนมภะกาวโตุสาวกสังขร พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามีข้าพระเจา้านอบน้อมพระสงฆ์กรนโมตัสสัมภะวะตวอรหโตวสัมมาสัมพุทธัสสะ นามา a าสัมปะกวโตอาราตสัมมาสัมพุทธัสสัมนามาดาสัมปะกวโตอาราตสัมมาสัมพุทธัสสัมอนอมนามแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลนตรัรสรู้ฌาบได้โดยพระองค์องเองโยสตัตถากโตมปราตทากุเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลนสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรุชฌาบได้โดยพระองค์องเอง วิชาจรณสัมปโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาแรจรณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วโดยดีโลกวิทุเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรบุริสธรรมสารที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศาสตราเทวมนุษย์นามเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโโตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพักข า, าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรมสั่งสอนศาสตร์ โยมังโรกังสเทวกังสมารกังสพรมักังสาสมาณะพรหมะนิงปัจจังสเทวะมนุสังสยังอภิญญาสาจิกัตวาปะเวเทเสียมพระภูมิพระพาเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโรคนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและมูสา พ, พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัละยานังภายร้อในเบื้องตน มาเชกันระยานางภายรอในรำกลางปาริโยสานการระยานางภายรอในที่สวนสาทั้งสัพยัญชนะเกวาราปริปุนนังบริสุทังพระมจริยัปงประกาศเส้นทรงประกาศพรหมจาร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมหังบัคขวันตังอภิภูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจ้าพระพรามณผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธรรมหังบัคขวันตังศิระส า, ามามี กราพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกราวกราบโยโซสวะคโตมภะคาวะตาธรรมโอมพระธรรมนั้นได้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า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 โอบาลายโกเป็นส oh, oh, ิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจ uh ัตงเวทิตโภวิญโยหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังดัมังอภิภูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพระพระธรรมนั้น กามังธรรมังสิระส า, ามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียนกราวกโยโสสุปฏิปันุปปะขาวะโตสาวกสังโคมทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติได้แล้วชุปฏิปันโนะอะกวาโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปันโนะอมภะกวาโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนมปะกวะโตุสาวกสังโุมทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาธรรมได้แก่บุคคลเรานี้คือ จตาริภุริสายุคานิอัธาภุริสับปุขาู้แห่งบุรุษสี่โคนาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเทสาพากวโตสาวกสังขรนั้นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปานายโยเป็นสงควรแกสการาที่เขานำมาบูชาปาวนายโยเป็นสงควรแกสการาที่เขาจัดไว้ตอนรับทักกินาโย ο, เป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญชริการณิโย ο, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรี อนุตตรังบุญยเกเกตังโรกษาเป็นเนื้อนาบุญของโรคไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังขังอภิภูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะเพระประสงค์มูนันตามังสังขังศิรสานามามี ขภาพระเจ้าน้อมน้อมราสง่งหมนันด้วยเสียนกราวกราบพุทโธสุสุทธโธการุณามหัน n โอ o a m ร r บุทธ a j a p ู u b a r i Sut m ์มีพระกรุณาด u t ห่วงม m ันน้อมโยจันดาสุ d h a m p a r i y โ ร, ร, าารจโน om, พระองค์ได้มีตาคือญาณประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะาพูปากิเรศคาตะโกมเป็นผู้กาเสียซึ่งบาประอุปากิเรศของโรววันดามีพุทธังอาหามาทะเรณตามกราพเจ้าไวาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้อ ธรรมโมปธิปวิยตา ส, สัทธุนวมพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทิพโยมกับปากามตะเภธพิ น, นโกวจำแนกประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตตทตาธิปโนว ซึ่งเป็นตัวโรคกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรกุตระนั้นวันดามิธรรมังอหมาตะเรนตังกาปัจจาวายพระธรรมนั้นโดยใจเขาโลเปื่อเฟือ่อสังโฆสุขเตาะพยานติเขตสัญญิโต พระสงค์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลายโยเดดาสันโตสุกตานุโพธโกมเป็นผู้เห็นพระนิพพานรักสรู้ตามพระสุคตมุไดโลระปะหิโนโออาริโยสุเมดาโซมเวีนผู้รา ก, กิเรเครื่องโรเรเป็นพระอริยาเจ้ามีปัญญาดี วันดามิสังฆงอาหมาทเรณตังข้าพเจ้าไายพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขาร่เพื่อเฟือฟ่ออิจเจวะเมกันตาพิภูชนนยยกากังวัดแต่ยังวันดายตาพิสังขาตังบุญยังไม่ยายังมมสาบุปัทถวา มาหุนตุเวตาสัปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรยัยควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนาน mm. อิตตาตาคตโรเกอุปันโนพระตาาโคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรั mm. รสรู้ฌาบได้โดยพระองค์องเองธรรมโมจเทสิตโตนิญานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทว์อุปัสสามิโกปริณิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลนเป็นไปเพื่อปารินิพานสมโภตก า, ามิสุคตตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังดัมังสุตตะวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างมิว่าชาติปีทุขะแม่ความเกิดก็เป็นทวงชาราปีทุขะแม่ความแก่ก็เป็นทวงมาระน้ำปีทุขงแม่ความตายก็เป็นทวง โสกับปริเทวัทุกะโตมนาสุปายาสปิทุกาแม่ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความข้าแค็นใจก็เป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคโทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุ่มปิเยหิวิปโยโคโทุโคความพลาดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุ่ม ยมปีชังนาราปฏิตามปีทุข้างมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทวงสังกิเตนะปัญจุปาทานะันธาทุข้าว่าโดยยาออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทวงไสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ร, ism, ร downhill, ูปูปาฏานคันโทกันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาฏานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาฏานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สังคารูปธาตานคขันโธขันอันเป็นที่ตังง้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปธาตาาุนคขันโธขันนันเป็นที่ตัง้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปธาทานขั้นเราเนี่ย คารมาโนโสุปกะวาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่เอวังพภาุรังสาวเกวินีตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก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 สาเปธธรร ม, มานตตาตีทำทั้งลายทั้งพวงไม่ใช่ตัวจนดังนี้แต่ไม่ยังโอตินามหาพวกเราทั้งลายเป็นผู้ถูกครับํำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามระเนนาโดยความแก่และความตาย สโสเกอิปา ร, ริเทเวอิทุกหิโทมนาเซอิอุปายาเซหิโดยความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขามแกนใจทั้งหลายทูกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ทุกขะเปรตตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว้อวอเปวนามิมาสะเกวราสะทุกขะคันดาสาัสสนตากิริยาปัญญาเยตานีทำชะนายการดำที่สุดแห่งกองทุกข์้ังสินนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จีระปรินิพุตตัมบิดังพระกวันตังสระนังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสระน า, าทำมันจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วย ตาซาปะกวะโตสาสนางยธาสติยธาพรังมนานสิกโรมาอนุปฏิปชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสะโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย อิมาสาเกวราสะตุกันดาสะอันตะกิริยาญาสังวัตตุห้อยความ ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งของทุกท้งสิ้นี้เทิดชีระบริณพุทธัมปีตังพระกวันตังอุดิสาอารันตังสัมมาสัมพุตตัง เราทั้งหลายุทิตเพาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสแต่สรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้บริญนิพพา น, า, นานแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมาณคริยังปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ตาสมิงบัคขวติพระมจริยังจรารมาพระพืติอยู่ซึ่งพรมมจารย์ในพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปีกูนางศิขาสัชีิวัสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเรียงชีวิตของปิสุทั้งหลาย ตั้งโนพระมจรรยงอิมสามเกวรสัทุขคันดาสนดานตะกิริยายาสังวัตตะตัวขอให้พรหมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งกองทุกตั้งสิน้น้เทอต่อไปก็เปิดไปหน้าที่สิเก้าดูบทดว ด, ดน้ำตอนเช้า มุญญาสิธานิกตรัสายานัญญาณิกตานิเมเทสัญชาภาคิโนฮุนตุสัตตานันตาประมาณการสัตถังลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนีแ้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไม่หั่งมาตาปิดตาทะยทีธาเมจาพยาทิทาวาอันเยมาชัดตะเวรินโนคือจะเป็นสัตว์เราได้ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัวระอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวนกันก็ดีสตดัตดาทิฏฐิโรกสมิงเตภุ ม, มาจัตุโยนิกาปราเจกจัตุโวการาสังสารตาภาวะภเว สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขั น, น, า น, น, นอาคารมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาทั้งเยปัติธานังเมอนุมโมทันตุเตสยาม เยจิมังณประชานันติเทวาเดสังนิเวทะยวมสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตเรานั้นจองอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตเรนั้นให้รู้ ไมยาตินนาณพุญญาณังอนุโมทนาเอกุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอาเวราสุขชีวินโนเกแมปัญจปพตุเตสสะสิสตังสุภา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 ไปเปิดไปหน้ายี่สิบสามบทแพ่เมตต า, าสัเพสัตาสาทังไร้ที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราอ่นตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อ ก, กันแลกกันเลย อาพยาปชาอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยทานี้คาอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริอรันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตในให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดจบธรรมวัดเช้าต่อไปก็ตั้งใจปฏิบัติร่วมกันจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร